พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ในมงคลระเสว่ากาเลนะธรรมิสวังเอตัมมังกัลมุตต ม, มังแปลว่าการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งในสมัยพระพุทธกาล การจะฟังเทศฟังธรรมแต่ละครั้งนั้นต้องฟังการแสดงสดเพราะว่าไม่มีการบันทึกเสียงไว้จึงต้องมีวันมีเวลาสำหรับการฟังเทศฟังธรรมเช่นวันพระเนีเราเรียกว่าวันธรรมัตสวัแปลว่าวันฟังธรรมจึง ต้องมีการมีเวลาสำหรับการฟังธรรมเพราะว่าปกติชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้ครองเรือนมีภารกิจการงานทามาหากินจะไม่มีเวลาที่จะมาวัดได้ตลอดเวลาจึงต้องมีวันหยุดเพื่อที่จะได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม พระพุทธเจ้าึ่งทรงบัญญัติวันธรรมวัฒนะขึ้นมาวันฝังธรรมขึ้นมาคือทุกๆวันพระวันพระก็ทุกเจ็ดหรือแปดวั น, วนตามปฏิทินทางจันทรคติคือวันขึ้นแรม8ปดค่ำสิบห้าค่ำหรือสิบสี่ค่ำอันนี้ ตามการตามเวลาความหมายเป็นอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันการฟังเทศฟังธรรมนี้เราสามารถฟังได้โดยที่ไม่ต้องมาวัดเพราะมีการบันทึกเสียงมีการบันทึกภาพที่เหมือนกับได้ฟังสดๆร้อนๆการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาก็ สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเราจะฟังวันละหลายหลายครั้งก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะฟังได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาตามที่เราต้องการ น, นี่คือความหมายของการฟังเทศฟังธรรม ตามการตามเวลาในสมัยพุทธกาลนั้นต้องฟังในวันพระเพราะจะต้องหยุดภารกิจการงานแล้วก็ไปวัดแล้วก็ไปฟังเทศสดสดร้อนๆอจากพระผู้ทรงธรรมทั้งหลายแต่สมัยนี้เราสามารถฟังได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลา พ่อมีสื่อที่บันทึกเสียงทำไว้ให้เราได้ฟังกันดังนั้นเราก็สามารถเรื่องการเวลาการฟังเทศฟังธรรมของเราให้เหมาะสมกับเวลาของเราและกับประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราได้รับประโยชน์มากเราก็ควรฟังให้มากๆ ถ้าเราฟังแล้วไม่ได้รับประโยชน์มากหรือเราไม่มีเวลาที่จะฟังมากเราก็ฟังตามเวลาที่เราจะสามารถหามาฟังได้เพราะว่าการฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์เป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่ามงคลก็มีทำให้เรา ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับความเจริญจากการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีมอนิสงส์อยู่5ประการด้วยกันที่เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราคือ 1. เราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน2 ทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกาจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาความเห็นชอบและ 5. จะทำให้จิตใจผ่องใส สงบมีความสุขนี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาการที่จะได้รับอนิสงส์ทั้งห้าประการนี้การแพรงเทศฟังธรรมก็จำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายสงบก็คือนั่งอยู่เฉ ย, เฉย ไม่ทำอะไรต่างๆวาจาสงบก็คือไม่พูดไม่คุยกันระหว่างเวลาที่ฟังธรรมใจสงบก็คือใจไม่คิดปรุงแต่งไปถึงเรื่องราวต่างๆแม้จะคำบริกรรมพุทโธก็ไม่ควรบริกรรมหรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ควรดูควรใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ เพื่อที่จะได้รับอนิสงค์ทั้งหประการนี้ดังนั้นเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมจึงไม่ควรฟังในขณะที่เรากําลังทําอะไรต่างๆเช่นบางท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าชอบฟังเทศฟังธรรมเวลาทํางานเวลาขับรถไปไหนมาไหนอันนี้จะทําให้ไม่สามารถรับซึมซาบ ทำ ท, ที่แสดงไว้ได้อย่างสม่ำได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรใจของเราก็ต้องไปคิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เช่นเรากำลังขับรถยนต์ใจของเราก็ต้องดูถนนดูรถขณะที่ฟังก็จะฟังแบบขาดขาดเกิ น, เ, กนเวลาดูรถ ดูถนนก็จะไม่ได้ฟังจึงจะไม่ได้ฟังทำอย่างต่อเนื่องและจะไม่ได้ฟังครบทุกทุกคำพูดประโยชน์ที่จะได้รับก็จะไม่ได้รับเต็มรอยอยากถามว่าจำเป็นหรือไม่คือถ้าต้องการจะฟังขณะที่ทำอะไรไปและก็ได้รับประโยชน์บ้าง ก็ยังดีถ้าอยากจะฟังแบบนั้นก็ฟังได้ดีกว่าไปฟังเพลงหรือไปฟังข่าวฟังเรื่องราวทางโลกอันนี้การฟังธรรมก็ถือว่าได้ประโยชน์มากกว่าเพียงแต่ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มร้อยได้อา น, นิสงส์ทั้ง5ประการก็ควรที่จะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไร เพื่อที่ใจจะได้จดจอ่ออยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปให้ความสาคัญกับงานที่กำลังทำอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ควรฟังธรรมในขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ฟังได้เพียงแต่อยากจะอธิบายให้ทราบว่าผลที่จะได้รับจากการ ฟังธรรมแบบนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆนั้นจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์มากกว่าการฟังธรรมแบบที่กำลังทำอะไรอยู่หรือกำลังพูดกำลังคุยกันอยู่หรือกำลังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ผลจะแตกต่างกันในสมัยพระพุทธการผู้ฟังธรรมที่ มีกายวาจาใจที่สงบนี้มักจะได้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังเลยเช่นในทั้งที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมในระยะต้นๆผู้นคนที่ฟังเทศฟังธรรมนี้ล้วนเป็นหรือเป็นนักบวชนักบวชตามสำนักต่างๆซึ่งมี กายวาจาใจที่สงบกายวาจาก็มีศีลไม่ทําอะไรเวลานั่งฟังเทศฟังธรรมก็นั่งเฉยๆไม่ทําอะไรไม่พูดอะไรใจก็สงบใจมีสมาธิใจสักแต่ว่ารู้คอยรู้อยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสพอธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง เป็นธรรมแท้เป็นธรรมธรรมจริงพอผู้ฟังฟังแล้วพิจารณาไปก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามีสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะมีคุณสมบัติพร้อมต่อการที่จะบรรลุธรรมนั่นเอง คือมีกายวาจาใจที่สงบสงบแบบจริงๆคือกายก็นั่งเฉยๆวาจาก็ไม่พูดใจก็ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมไปเพียงอย่างเดียวแล้วก็พิจารณาเหตุผลของธรรมที่กำลังแสดงอยู่ตอนที่พทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ย ห่พระปัญจวาคัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอาญญานโกนทาญยะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับ สิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพอปล่อยวางได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้สิ่งที่เคยยึดติดอยู่นั้นให้เป็นสิ่งที่อยู่กับตนไปนา น, านๆเช่นร่างกายของเราร่างกายของเรานี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือ มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปถ้าไปยึดติดกับร่างกายแล้วมีตัณหาความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไปตลอดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตา ย, ไ ม, ตายไม่มีวันเสื่อมใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจัง เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีวันดับไปสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปสามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่คือเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรม ผู้ฟังแต่ละคนนี้ก็จะได้รับประโยชน์ต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะนำธรรมนั้นเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในใจประโยชน์หลักก็คือนำธรรมนี้เข้ามาทาลายตันหาความอยากต่างๆนำธรรมนี้เข้ามาทาลายโมหะอวิชชาความหลง ความไม่รู้ต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจนี่คือเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่ได้ยิน เรื่องต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อที่จะนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลที่เราต้องการได้การฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าตามลําพังความรู้ความสามารถของเรานี้มีไม่เพียงพอต่อการที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาวิธีการที่จะทําให้เรา หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกต่างๆได้การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่เวลาที่เราจะเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องเปิดดูแผนที่ว่าจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้ เราจะต้องเดินไปไทยในทางทิศใดทางใดถึงจะทำให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าเราควรจะไปทางทิศใดจะไปทางเหนือหรือจะไปทางใต้แต่ถ้าเรามีแผนที่เราก็เปิดดู แล้วเราก็จะรู้ว่าจุดที่เราต้องการไปนี้อยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้พอเรารู้ทิศแล้วเราก็ออกเดินทางไปตามทิศทางนั้นถ้าเราเดินทางไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้การฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่ หรือเป็นการถามทางจากผู้ที่รู้จักทางพระพุทธเจ้าท่านได้เดินทางไปถึงพระนิพพานแล้วท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเราก็ต้องถามพระพุทธเจ้าหรือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้จักทาง ที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายจากการเวียนว่ายตายเกิดความฟังเทศฟังธรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเปรียบเหมือนกับคนตาบอดที่เวลาจะไปไหนมาไหนจำเป็นที่จะต้องอาศัยคนตาดีนำทางไป คนตาดีก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนตาบอดก็คือพวกเราที่ยังหลงติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดที่ยังหลงติดอยู่กับกองทุกข์ต่างๆถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องอาศัยคนตาดีพาไป การที่เราฟังเทศฟังธรรมนี้จึงถือว่าเป็นการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งบุษทางธรรมังสังขังสารนังกระฉามิจะฟังธรรมจากพระโอษของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้หรือจะฟังหรือดูหนังสือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ท่งแสดงไว้ แล้วได้มีการจะเรียกไว้ในพระไตรปิฎกก็ได้หรือจะฟังเทศฟังธรรมจากพระอาหารตัสวกทั้งหลายก็ได้ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ตาดีเป็นผู้ที่รู้ทางสู่พระนิพพานรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้ฟังคำสอนจาก ท่านเหล่านี้เราก็จะได้รู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพน้นพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะต้องเดินไปในทางที่เราได้ไ ด, ได้ได้ศึกษามาพอเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็ต้องปฏิบัติเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ทางไปสู่พระนิพพาน แต่ถ้าเราไม่ออกเดินทางไปเราก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้จะไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำทานรักษาศีลและภาวนานี่คือวิธีการที่จะทำให้เราได้ไปถึงพระนิพพาน ที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะทำให้เราพบกับบรมมัสุขคือความสุขร้อยเอร์เซไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยขณะนี้พวกเราเจอความสุขที่มีความทุกข์เจือปนอยู่เวลาสุขเดียวเดียวแล้วเดียวก็มีความทุกข์ตามมา เราอยู่กับความสุขและความทุกข์แบบนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานน้ำตาที่เราหลัง่งนี้ถ้าเราเอามารวบรวมแล้วมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรสอีกน้ำตาที่เราหลัง่งเพราะเวลาที่เราเกิดมาแล้วเราจะต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพลาดพาดจากคนและสิ่งของที่เรารักที่เราชอบ นี่คือความสุขที่ความสุขและความทุกข์ที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อให้มีความสุขมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถหนีจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายไปได้จะเป็นสุขของพระราชามาหากษัตริย์สุขของมหาเศรษฐีสุขของใครก็ตามจะต้องมีความทุกข์ผสมมาด้วย และเวลาทุกนี้ก็แสนทรมานใจเป็นอย่างมากเราจรึงไม่อยากจะแก่กันไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายกันแต่เราก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เพราะเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายการพัฒนาจากกันตามมาเป็นธรรมดาของโลกนี้ของร่างกายอันนี้ ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาหารหันตสาวกผู้ที่ได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเรา จำเป็นที่จะต้องมีในการปฏิบัติธรรมดังที่มีผู้ถามว่าการปฏิบัติธรรมนี้จําเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์หรือไม่จําเป็นอย่างยิ่งต้องมีครูบาอาจารย์แต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีครูอาจารย์อยู่กับเราสองต่อสองไปตลอดเวลา การมีครูมีอาจารย์ก็คือการมีแผนที่มีคนคอยบอกทางให้กับเราแต่เราไม่ต้องให้ท่านมาเดินทางไปกับเราเราเพียงแต่ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็นำเอาธรรมที่ท่านสอนนั้นไปปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมใหม่เรียกว่าฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมตามการตามเวลาต้องฟังอยู่เรื่อยๆต้องอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังไม่อ่านอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราลืมได้เราจึงต้องคอยฟังอยู่เรื่อยๆครูบาอาจารย์มักจะเรียกพระเนนมาอบรมสักสอน อย่างสม่ำเสมาสมัยที่ไปอยู่กับหลวงตาช่วงแรกๆท่านมีเวลามากท่านไม่ค่อยมีแขกมารบกวนสุขภาพของท่านก็สมบูรณ์แข็งแรงท่านมักจะเรียกประชุมอบรมพระทุกห้าหวันจะเรียกมาอบรมสั่งสอนบอกวิธีการปฏิบัติตา่ตางๆเวลาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านก็จะ เกิดความรู้และเกิดกำลังใจเพราะท่านจะเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้รับประกันว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ไม่ศูญย์เปล่าเป็นธรรมที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลเหตุก็คือการปฏิบัติผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆกอให้ปฏิบัติตามเหตุที่ได้ทรงแสดงไว้เถิด แล้วผลก็จะตามมาอย่างแน่นอนอุบาจารย์ต่างๆท่านก็ปฏิบัติเหตุท่านจึงได้บรรลุผลกันพวกเราที่ต้องการที่จะบรรลุผลถ้าเราปฏิบัติเหตุเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกั น, นเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะเกิดความรู้เกิดความเกิดกำลังใจ บางครั้งเวลาปฏิบัติไปก็มีความท้อแท้เบื่อหน่ายบ้างเพราะว่าบางทีปฏิบัติไม่ถูกผลจึงไม่เกิดพอผลไม่เกิดก็เลยเกิดความท้อแท้ขึ้นมาแต่พอได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ฟังวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ทำให้เรามีกำลังจิต ก, กำลังใจที่จะกลับไปปฏิบัติต่อปะ ปฏิบัติตามวิธีที่ได้ยินได้ฟังมาเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่เราปฏิบัติกับวิธีที่ท่านสอนให้ปฏิบัติเราก็จะรู้ว่า อ, อ๋อการปฏิบัติของเรานี้ไม่ถูกพอไม่รู้ว่าไม่ถูกเราก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติให้มันถูกมันก็ทำให้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปนี่คือเรื่องของการได้ยินได้ฟังทำ ตามการตามเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องมีการฟังไปตลอดจนกว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเพราะทำแต่ละขั้นก็มีขั้นมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันที่จะต้องแก้เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วบางทีก็งงไม่รู้ว่าจะทาอย่างไร แต่พอได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ผ่านจุดนั้นไปแล้วก็จะบอกว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้พอได้ยินวิธีว่าควรจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอนำเอาไปกระทำก็ได้ผลทันทีการฟังเทศฟังธรรมจึงต้องมีการฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วหลุดพ้นแล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องฟังเทศฟังธรรมอีกต่อไปเหมือนกับนักศึกษาระดับปริญญาต่างๆยังจำเป็นที่จะต้องดูหนังสือยังจำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนแม้ถึงแม้จะอยู่ในระดับปริญญาเอกก็ยังต้องมีครูบาอาจารย์มีหนังสือย่กว่าจะได้จบปริญญาเอกแล้วเท่านั้นจึง จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูหนังสือไม่ต้องฟังอะไรจากครูบาอาจารย์อีกต่อไปอันใดการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องสลับกับการปฏิบัติเพราะว่าจาเป็นที่จะต้องมีการปรับขบวนการของการปฏิบัติ เวลาที่ไปสู่ทำขั้นต่างๆที่มีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันถ้าจะเอาปฏิบัติแบบเดียวกันไปมันก็จะติดอยู่ทำขั้นนั้นมันจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมที่สูงกว่านั้นได้แล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนก็อาจจะติดหรืออาจจะหลงทางได้ อย่างที่คนกลัวกันว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะเป็นบ้ากันคนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้ามักจะเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยว่าก่าวตักเตือนคอยสั่งคอยสอนคอยบอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติไปโดยไม่มีครูบาอาจารย์นี้โอกาสที่จะหลงทางหรือเป็นบ้าไปนี้ก็ย่อมเป็นไปได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกับคนทุกคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะว่าการมีครูบาอาจารย์นี่ก็สามารถมีได้หลายรูปแบบด้วยกันมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อเป็นหนังหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเสียงบันทึกหรือเป็นหนังสืออันนี้ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า เสียงที่บันทึกและหนังสือที่อ่านนี้จะไม่สามารถที่จะมาคอยตักคอยเตือนคอยบอกเราคอยแก้ปัญหาให้กับเราเหมือนกับการมีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เวลาท่านเห็นการปฏิบัติของเรานอกนู่นนอกทางท่านก็จะเตือนเราได้หรือเวลาที่เราติดอยู่ตรงไหนมีปัญหาที่เราแก้ไม่ตก พอไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะช่วยบอกวิธีแก้ให้ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี้จึงมีประโยชน์มากกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการอ่านหนังสือหรือจากการฟังเทศฟังธรรมที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในสื่อต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ เราก็ต้องอาศัยเสียงเทศเสียงธรรมของท่านที่ได้บันทึกเอาไว้และหรืออา่านหนังสือธรรมะต่างๆก็ยังพอที่จะเป็นครูบาอาจารย์ได้แต่อาจจะทำให้การปฏิบัตินั้นล่าชาได้เพราะบางทีหลงทางไปกว่าจะรู้ว่าหลงทางก็อาจจะนานหน่อยบ่ จนกว่าจะไปอ่านธรรมะเจอเข้าว่า อ, อ๋อวิธีการที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้มันไม่ถูกต้องถึงจะรู้ว่าหลงทางก็แก้ได้แต่มันจะช้ากว่าการที่มีครูบาอาจารย์คอยว่ากล่าวตักเตือนคอยสั่งคอยสอนอยู่เรื่อยๆหรือเวลาไปติดปัญหาตรงไหนก็จะไม่รู้จักวิธีแก้จนกว่าจะไปอ่านหนังสือหรือฟังเทศฟังธรรม เจอวิธีที่ท่านสอนถึงจะแก้ได้แต่ถ้าท่านมีชีวิตอยู่เราไปกราบเรียน <c oughs> ไปถามท่านเลยท่านก็จะสามารถตอบปัญหาของเราแก้ปัญหาของเราได้ในเวลานั้นเลยนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่กับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรม หรืออ่านหนังสือธรรมะมีประโยชน์เหมือนกันแต่มากน้อยต่างกันยังไม่เป็นของแปลกที่ผู้ปฏิบัติมักจะมุ่งแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าได้รับประโยชน์ได้มากกว่าและรวดเร็วกว่าสามารถแก้ปัญหาได้ได้เร็วกว่า สามารถช่วยป้องกันไม่ให้หลงไปในทางที่ผิดได้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องอาศัยทำที่บันทึกไว้เช่นแผ่นซีดีหรือหนังสือธรรมะต่างๆก็ดีกว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีนี่ก็เป็นเหมือนคนตาบอดคำทางไปซึ่งถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการฟังเทศฟังธรรมเลย โอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นแทบจะไม่มีเลยลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนตาบอดแล้วเราจะต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อนนี่เราต้องไปเองโดยที่ไม่มีใครบอกไม่มีใครนาทางให้กับเราเราจะไปถึงที่จุดหมายปลายทางได้อย่างไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ทางทิศเหนือทิศใต้และตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำทางจำเป็นที่จะต้องมีแผนที่จำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์จำเป็นที่จะต้องมีการฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างเป็นการเป็นเวลานี่เป็นหัวใจสำคัญของขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติไปจนวันตายก็จะไม่สามารถได้รับผลที่ต้องการได้ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับผลเช่นกันถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ไม่ปฏิบัติผลก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันการเรียนและการปฏิบัติเป็นของที่จะ ต้องไปด้วยกันจะต้องมีทั้งสองส่วนจึงสามารถนํามาสู่การหลุดพ้นได้ทําเขางพระพุทธเจ้ายังทรงสแสดงไว้เป็นสมส่วนด้วยกันที่เรียกว่าปริยัติธรรมปฏิบั ต, ติธรรมและปฏิเวตธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวตปริยัติก็คือการศึกษาเริ่มเรียนเช่นการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะ การได้ยินคําสอนของครูบาอาจารย์โดยตรงเรียกว่าปริยัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติด้วยกายวาจาและใจปฏิบัติเพื่อกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีฝังอยู่ในใจให้มันหลุดออกไปจากใจให้ได้เมื่อถอดถอน เหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปจะไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการปฏิบัติของเราก็ไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่กายวาจาใจของเรานี้เองและการบรรลุธรรมก็ไม่ได้บรรลุที่ไหนก็บรรลุที่กายวาจาใจของเรานี้เอง นิพพานก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ใจของเรานี่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาความอยาก ต, าตา่างๆที่เป็นเหตุที่ทาให้เราต้องทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดและใจที่สะอาดบริสุทธิ์จากอาวิชชาความหลงความไม่รู้ความหลงความไม่รู้เกิดจากการไม่ได้ยินได้ฟังธรรม พอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะหายหลงก็จะรู้เมื่อรู้แล้วก็นำความรู้นี้มาปฏิบัติกับใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดการทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากเกิดจากการมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นกรรมจัด ตันหาทั้งสามตัวนี้ด้วยการสอนใจให้รู้ความจริงที่จะมาทำลายความหลงที่ทำให้เกิดความอยากความหลงคืออะไรความหลงก็คือการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดถะนี้เป็นสุขเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสมบัติของเรา อันนี้เป็นความเห็นผิดเป็นชอบเพราะความจริงแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันให้ความสุขกับเราเพียงเดียวเดียวพอมันเสื่อมไปมันหมดไปความสุขที่ได้มาก็จะหายไปแล้วก็จะได้ความทุกข์มาแทนที่มันไม่ใช่เป็นสมบัติของเรา เพราะมันจะต้องมีวันที่จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปนี่คือความจริงที่ใจมองไม่เห็นใจจึงหลงใจจึงไม่รู้ความจริงจึงต้องมาสอนใจให้รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจหลงไปคิดว่าเป็นความสุขนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันจะต้องมีวันที่จะต้องจากเราไป หรือเราจะต้องจากมันไปอันนี้คือความรู้ที่เราจะได้จากการฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังธรรมนี้เราจะได้รู้เหตุของการทำให้เราจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเหตุก็คือความหลงอวิชชาความไม่รู้ที่เป็นเห็นว่าการมาเกิดการมาหาความสุขในโลกนี้เป็นการ เป็นการสร้างความสุขให้กับใจแต่ความสุขที่ได้นี้มันน้อยกว่าความทุกข์ที่ได้ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ทุกข์กับสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานั่นเองเราทุกข์กับลาบยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่มันเสื่อมไปแต่เราไม่มองไม่เห็นกันเราจะมองแต่ความสุขเวลาที่เราได้จากลาบยศสรเสริญ จากราจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่เรามองไม่เห็นเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปมันจะให้ความทุกข์กับเราอย่างแสนสาหัสเราจึงต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแลนะมีการเสื่อมมีการหมดไป มันไม่ได้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงอันนี้ต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆพอใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราก็จะไม่อยากได้ก็จะละความอยากต่างๆได้พอละความอยากต่างๆได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดใจก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลย พความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเหมือนกับไฟนี้เกิดจากฟืนถ้าเราดับฟืนเสียไฟมันไฟมันก็จะดับหรือถ้าเราเอาฟืนออกจากกองไฟเมื่อกองไฟไม่มีฟืนไฟมันก็จะดับไปเองใจของเราก็เป็นเหมือนกองไฟฟืนที่ทำให้ใจเราร้อนที่ใจเราทุกข์ใจเราวุ่นวายกันก็คือฟืน ของตัณหาความอยากทั้งสามนี้ความร้อนใจความทุกข์ใจความวุ่นวายใจเกิดจากกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่เกิดจากอวิชชาโมหะที่ไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเราจึงต้องมาแก้ความหนงนี้ด้วยการสอนใจให้เห็นความจริงว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางนั้นเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่มีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็จะต้องเสียไปต้องจากกัน มันสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์ใจเหมือนกับกองไฟที่ไม่มีฟืนถ้ากองไฟไม่มีฟืนไฟก็จะต้องดับไปความทุกข์ต่างๆภายในใจเกิดจากกองฟืนของตัณหาต่างๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา พอเอาฟืนของกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาออกจากใจไปแล้วความทุกข์ต่างๆภายในใจก็หายไปหมดนี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวว่าไม่มีศาสดาของศาสนาอื่นที่มีปัญญา ที่จะเห็นความจริงอันนี้ยังไม่มีการสั่งสอนเรื่องอริยสัจสีในศาสนาอื่นมีเพียงแต่ในศาสนาพุทธนี้เท่านั้นเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถเห็นสัจธรรมความจริงนี้ได้เพียงองค์เดียวแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่มีศรัทธา ฟังแล้วนําอาไปปฏิบัติก็จะยืนยันว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสสอนนี้เป็นความจริงว่าทุกนี้เกิดจากตัณหาความอยากและการดับความทุกนี้ก็เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเวลาเราฟังเทศฟังธรรมกัน เมื่อเราได้ฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จไปถึงอย่างแน่นอนเพราะเหตุและผลนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาเหตุก็คือการปฏิบัติ ถ้ายังมีการปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่ผลก็คือนิพพานย่อมเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดจะอยู่ในยุคพระพุทธการกจจหรืออยู่ในยุคปัจจุบันหรืออยู่ในยุคอนาคตของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะเป็นเหตุและผลอันเดียวกันไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้และนำธรรมที่ทรงตรัสรู้มาสอนให้แก่สัตว์โลก จะมีกี่พระองค์ก็ตามก็จะส่งสอนเหมือนกันหมดทุกพระองค์สอนให้ทาบุญทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนากันเพราะเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ความสุขของพระนิพพานกันพวกเราเึงไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการของเวลาที่ผ่านมาอาจจะคิดว่า พระพุทธเจ้าท่านจากเราไปมานานแล้วคําสอนของท่านนี้ไม่มีผลอีกแล้วต้องฟังจากปากของท่านโดยตรงถึงจะได้ผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเรายังสามารถฟังจากอาาาัลฮันตสพระอัลฮันต์สาวกได้ถ้ามีอยู่ถ้าไม่มีเราก็ยังสามารถเอาคําสอนที่ได้จะได้บันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือหรือใน สื่อที่มีเสียงแล้วมีภาพเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้คาสอนเหล่านี้มาเป็นผู้นำทางพาเราให้เราไปถึงการหลุดพ้นได้จังไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่ปฏิบัติกันสิ่งที่จะทำให้เราไม่ปฏิบัติกันก็คือกิเลสของเรานั่นเองคือความยัง ความหลงที่ยังติดยังยึดยังติดอยู่กับความสุขแบบเดิมๆอยู่ยังยึดติดอยู่กับลาบยึดสรรเสริญยังยึดติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าเราสลัดการยึดติดกับความสุขเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถออกปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกปฏิบัติธรรมพระองค์จะต้องสลัด ความยึดติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ไปอยู่แบบสัมณะโคดมไปอยู่แบบขอทานแล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนในที่สุดก็สามารถทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย หลุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการสละความสุขทางโลกไปสละความสุขทางราบยศสร ะ, ะเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพพะไปเพราะว่าถ้ายังติดอยู่ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นได้ก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับราบยศสะละเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพพะไป เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียลาบยศเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นลดผลภัณพ์ไปเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง สมหับสมบัติของเราที่แท้จริงก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดความสุขของพระนิพพานที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เท่านั้นที่จะเป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงดังนั้นเราควรที่จะเลิกหาความสุขที่เป็นของปลอมได้แล้วคือความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้กาย แล้วหันมาหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้จะดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่แท้จริงไม่มีวันที่จะจากเราไปเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะขวนขวายกัน หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังถามแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือต้องพยายามผลักดันให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ได้อย่างเต็มที่มีภารกิจการงานอย่างอื่นมีข้อผูกพันอะไรอย่างอื่นก็พยายามตัดไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ทุ่มเทอย่างเต็มร้อยนี้เราจะไม่ได้ผลอย่างเต็มร้อยน ถ้าอยากจะได้ผลอย่างเต็มร้อยก็ต้องปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าปฏิบัติแบบพระอาหารหันตสาวกถึงจะได้ผลเต็มร้อยนี่คืออ น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมจะเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะทําให้เราเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ จะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและจะทำให้จิตใจเราผ่องใสสงบสะอาดสบายจึงขอฝากเรื่องของการฟังเทศสังธรรมตามการตามเวลานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิดปเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยธาเมณิจุติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัาศตุมาเตภวตวันตรายุสุขิทิคาโยโกภา อาิวาทานสีลิกษนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลาําลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถาม ก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามมาทางบ้านจากทางบ้านาช่วยส่งไปหน่อยคำถามจากทางบ้านจากคุณชารี หรือสงสัยเกี่ยวกับการกำหนดพุทธโทในการดำเนินชีวิตประจำวันกับการกำหนดตามความเป็นจริงจากปัจจุบันขณะเช่นกำลังหยิบของการกำหนดหยิบหนอกับพุทธโทมีความแตกต่างกันไหมคะหรือให้เรากำหนดพุทธโทไปเรื่อยๆแต่ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือรู้สึกอะไรอยู่รู้สึกว่าการกำหนดเช่นหยิบหนอ ทำให้ย้ำได้ชัดเจนว่ากาลังทำสิ่งนั้นอยู่หรือกำหนดพุทธโธก็ไม่แตกต่างหรือเปล่าคะสรุปว่าการกำหนดพุทธโธในชีวิตประจาวันต้องทำอย่างไรคะก็ทำได้ทั้งสองอย่างจะกาหนดรู้การเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายก็ทำไปจะใช้คําบริกรรมดึงใจไว้ให้อยู่กับปัจจุบันก็ใช้พุทธโธไป ได้เหมือนกันแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความถนัดบางคนสามารถที่จะดึงใจให้รู้หนออยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายได้ก็ไม่ต้องใช้คําบริกา ร, รพุทโธบางคนไม่สามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายก็ต้องใช้คําบริกรรมเป็นตัวดึงเอาไว้ดึงใจเอาไว้เป้าหมายก็คือไม่ต้องการให้ใจไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตเพราะว่าเวลานั่งสมาธิใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ ดังนั้นวิธีการสร้างสติขึ้นมานี้จึงมีหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านบางคนก็ใช้คาบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเวลาไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราจะไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธดึงเอาไว้ถ้าไม่เลยถ้าไม่คิดอะไรก็หยุดพุทโธได้ถ้าใจไม่ไปคิดถึงวเดชถึงวานาคใจอยู่กับ การกระทาของร่างกายก็ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้แต่ถ้าไม่ยอมอยู่กับการกระทาของร่างกายอยากจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ต้องใช้พุทธโธเดินกลกับมาคำถามจากคุณเจียพไทยทิพย์การให้ทานนั้นเพื่อที่จะได้กุศลที่แท้จริงนั้นคืออย่างไรคะคือการให้ทานนี้ก็มีผลได้ผล ผลที่จะเกิดขึ้นได้หลายประการด้วยกันแต่ผลที่สูงสุดก็คือการหยุดความอยากถ้าเรามีเงินแล้วถ้าเราควบคุมความอยากไม่ได้เดี๋ยวความอยากก็จะบอกให้เราเอาเงินไปซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นถ้าเราไม่ต้องการที่จะทําทตามความอยากซื้อของตามความอยากต่างๆเราก็อยากไปเก็บเงินเอาไว้ใกล้ตัวเรา เพราะถ้ามีเงินใกล้ตัวเราเดี๋ยวมันมันร้อนมันมันต้องเอาไปออกจากตัวเราถึงจะหายร้อนไปใช้ให้มันหมดก่อนแต่ถ้าใช้ตามความอยากความอยากมันไม่หมดความอยากมันจะอยู่ต่อแล้วมันจะทําให้เราต้องไปเดินหาเงินมาใช้ใหม่อต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานมันจะทําให้เราหายอยากใช้เงินแล้วเราก็จะ ไม่ต้องไปเดินนอนหาเงินมาใช้ตามความอยาอกต่อไปอันนี้คือเป้าหมายอันสูงสุดของการทําทานอย่างพวกที่ก็ออกบวชกันเนี่ยเขาสละทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆไปหมดเขาจะได้ไม่มีเงินทองที่จะพาเขาไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่เวลามาบวชพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้พระภิกษุมีเงินมีทองนตอนต้นในยุคแรกๆห้ามไม่ให้มีเงินมีทอง แต่ต่อมาก็มีเหตุที่ว่าบางครั้งบางคราวจำเป็นจะต้องซื้อของที่ญาติอย่ไม่ได้ถวายให้พวกอยู่พวกยาหรือของอะไรบางอย่างที่จาเป็นที่จะต้องใช้ก็เลยสรงญาติให้มีเงินทองได้แต่ไม่ถือว่าเป็นของของตนให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาคนใดคนหนึ่งที่ไว้ใจได้ให้เขาเป็นคนถือเงินทอง เวลาต้องการอะไรขาดแคลนอะไรก็ไปบอกเขาให้เขาไปจัดหาซื้อมาให้ถ้าเขาไม่ซื้อไม่ทาให้หรือเขาเอาเงินไปใช้หมดแล้วก็ช่วยไม่ได้จะไปว่าเขาก็ไม่ได้จะไปทวงคืนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นของพระเป็นของญาติโยมฝากเอาไว้กับลูกศิษย์ลูกหามีท่าทำได้อย่างเดียวก็คือบอกญาติโยมที่ฝากเงินไว้ว่าอย่าไปฝากกับคนนี้นะ ฝากเราเขาเอาไปใช้หมดเขาไม่ได้เก็บไว้ให้เราใช้แต่ไม่ให้ถือเป็นสมบัติแล้วของที่จะซื้อก็ควรจะเป็นของที่เรียกว่าส ม, มณะบริโภคือของที่เหมาะสมกับของของผู้สงบผู้ที่เป็นส ม, มณะนักบวญไม่ใช่ไปซื้อ iPhone ไปซื้อไอแพดไปซื้ออะไรต่างๆไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่ ถ้าอย่างนี้ก็ใช้ไปตามความอยากจึงไม่ให้ใช้เงินทองนี่คือเรื่องของการทาบุญทาทานเพื่อตัดสะพานของความอยากกั้นความอยากฝืนความอยากผลที่จะได้รับนอกจากการได้หยุดความอยากแล้วมันก็ยังมีอย่างอื่นการทาทานการทาบุญสละทรัพย์นี้ก็ทาให้เกิดความเมตตาขึ้นมาเวลาเราทำมา เราช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความเงินทองให้แก่ผู้อื่นนี่เราก็เป็นการสร้างเมตันเป็นการแผ่เมตตาปรารถ น, นาให้ผู้อื่นก็มีความสุขจากการเสียสละของเราอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งผลอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือการการจัดความยึดมั่นถือมั่นยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่หวงไม่ตเน่ บางคนมีทรัพย์แต่ไม่กล้าใช้ทรัพย์เสียดายทรัพย์เลยกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปร่ํารวยแต่ไม่อยู่แบบคนจนไม่กล้าใช้เงินใช้ทองตายไปก็เอาไปไม่ได้กลายเป็นของคนอื่นไปอันนี้การทําบุญก็เป็นการทําทานนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้มันเป็นทรัพย์ภายในถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด บุญที่เราทํานี้ก็เป็นเหมือนอบัตรเครดิตที่มีเงินอยู่ในบัญชีเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ใช้บัตรเครดิตซื้อข้าวซื้อของจ่าอะไรต่างๆได้บุญที่เราทํานี้ก็จะเป็นทรัพย์ภายในที่จะให้เราไปใช้ในโลกทิศเวลาเราจากโลกนี้ไปเราเวลาจากโลกนี้ไปแล้ว เ, เอาเงินทองต่างๆไปไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนมาให้มันเป็นเงิน เงินของโลกทิพย์ก็คือทรัพย์ภายในก็คือบุญดังนั้นก่อนจะตายนี่รีบทําบุญให้หมดมีเงินทองเท่าไหร่ทาให้มันหมดเพราะเอาเงินทองไปไม่ได้แต่เอาบุญไปได้นะแล้วตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปอยู่โรงแรมห้าดาวไปเที่ยวระดับห้าดาวกินอยู่ระดับห้าดาวถ้าไม่ทําเวลาตายไปจะไปเป็นขอทานต้องมารอขอรับส่วนบุญของผู้ที่เขาทําบุญกัน ตรงนี้เป็นพวกที่ไม่ยอมทำบุญเวลาที่มีเงินมีทองไม่ยอมทำบุญและเวลาหาเงินหาทองก็หาโดวยวิธีทำบาปโกงเขาบ้างโกหกหลอกลวงบ้างตรงนี้เวลาตายไปก็จะไปเป็นขอทานจะต้องไปอยู่ในอบายแทนที่จะไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาก็ต้องมาเป็นเปรตคาถามจากคุณเสกสรรใจมันหยุด มันพอใจกับสภาพกิเลสที่จางคลายไม่ยอมไปต่อครับพร่ำบอกพร่ำสอนยังไงมันก็ไม่ฟังไม่ยอมไปต่อลูกเดียวเลยจะทำอย่างไรต่อดีครับก็เจริญปัญญาพิจารณาตายนักในสิ่งที่เร า, าล้ยังรักยังหวงอยู่ถ้ายัางรักทรัพย์สมบัติก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายัางยึดติดอยู่กับสถานภาพยศถาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งอะไรต่างๆก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันสักวันหนึ่งจะต้องหมดไปเวลาหมดก็จะต้องทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสมบัติมันไม่ได้เป็นของของเราอย่างแท้จริงพยายามพิจารณาตายรักที่อยู่กับสิ่งที่เรายังรักยังยึดยังติดอยู่แล้วเราก็จะคลายตะกิเลตันหาความอยากด้วยความยึดติดในสิ่งต่างๆได้ เเรราาากก็จะจะิ้้หนนไปตมลดับคำถามจากคุณนินวผมนั่งสมาธิมาตลอดเกือบสองปีสวดมนต์ทุกวันตอนเช้านั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าภาวนาว่าเกิดดูลมหายใจออกภาวนาว่าดับคิดนำว่ามันเกิดดับตลอดเวลาจิตก็ฟุง้งกลับมาที่ลมหายใจเดี๋ยวมันก็ฟุ้งใหม่อีกไม่ได้อะไรมาเลยครับ ไม่สงบฟุ้งซ่านตลอดแต่ผมก็พยายามคิดว่าไม่หวังเพราะหวังมันคือกิเลสแต่เหมือนผมไล้ทิศไล้ทางกราบขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับเวลาทำใจให้สงบนี้ควรที่จะมีมีอารมณ์เดียวคือให้อยู่กับเรื่องเดียวและไม่ควรคิดอะไรเช่นดูลมก็ดูเฉยเฉยไม่ต้องไปคิดว่าเกิดหรือ ด, ดับให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมจะอยากก็รู้ว่าอยากลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมจะสั้นหรือยาวยก็รู้ตามความเป็นจริงของลมหรือลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปแต่ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปวิาพากวิจารว่าถ้าเราไม่หายใจแล้วเราจะตายอันนี้ไม่ตายถ้าตราบใดเรามีสติรู้อยู่อยู่กับความรูน้นี้มันจะไม่ตายลมมันละเอียดจนกระทั่งเราไม่สามารถจับมันได้เท่านั้นเอง ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งมันก็จะไม่สงบให้รู้เฉยๆหรือจะอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธ mm. ก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรต่างๆที่อาจจะปรากฏให้เรารับรู้จะเป็นเสียงก็ดีเป็นภาพก็ดีเป็นอะไรก็ดีอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณอำพรข้อหนึ่งดิฉันนั่งสมาธิมาสองสามเดือนนั่งหลายชั่วโมงต่อวันตอนนี้จิตรวมทันทีที่หลับตามีความนิ่งเป็นสายยาวแต่ไม่สามารถนั่งนานเกินสองชั่วโมงเพราะยังไม่ผ่านทุกขเวทนาออกจากสมาธิก็พยายามเจริญสติถามว่าการพิจารณาทางปัญญา ควรทําเมื่ออยู่หรือออกจากสมาธิแล้วคะทําตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเลิกทําในขณะที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาจะพิจารณาความเจ็บนั้นก็ได้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นความเจ็บของร่างกายมันไม่ใช่เป็นความเจ็บของใจใจไม่ได้เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายและเป็นความเจ็บที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ แต่เป็นความเจ็บที่เรารู้ได้อยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ไปมีความอยากที่จะให้มันหายไปเพราะการมีความอยากให้ความเจ็บหายไปนี่มันจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เป็นความทรมานที่หนักกว่าความเจ็บของทางร่างกายที่ทนนั่งอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นความเจ็บของทางร่างกาย แต่เป็นความทุกข์ทรมานของใจที่ไปเกิดความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปเราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนัตตาเวทนานี้เป็นอนัตตาร่างกายก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงผู้ที่มาสัมผัสรับรู้ถ้าเราสัมผัสรับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้โดยไม่มีความอยากให้มันหายให้มันเป็นไปอย่างอื่นใจของเราจะไม่เดือดร้อนและจะอยู่กับมันได้ นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาแยกใจออกจากกายแยกใจออกจากทุกขเวทนาแล้วก็สอนใจให้อย่าไปยุ่งกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่สามารถที่ไปสั่งเขาให้หายได้เหมือนตอนนี้เสียงที่เราได้ยินนี้เราไม่สามารถไปสั่งให้เสียงนี้หายไปได้ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราอยากให้มันหายบางทีเราจะนำคาญขึ้นมาภายในใจทันทีคือความนำคาญใจมันไม่ได้เกิดจากเสียงแต่เกิดจากความอยากของเราที่อยากจะให้เสียงนั้นหายไปความทุกข์ทรมานใจของเราไม่ได้เกิดจากความเจ็บของร่างกายจะเกิดจากความอยากของเราให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปถ้ามันมันอยากจะให้หายเราซอนมนันแล้วแล้วเราก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธดันเอาไว้ ว่าอย่าไปอยากให้มันหาอยู่กับมันไปแล้วก็ใช้พุโทโธบังคับให้มันอยู่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วมันก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างไม่รู้สึกอะไรนี่คือการการใช้ปัญญาถ้าเวลานั่งแล้วเจอค ว, ความเจ็บปวดของทางร่างกายและต้องการที่จะผ่านความเจ็บปวดนั้นไปเราต้องพิจารณาว่าความเจ็บไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวก็คือความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะตัวความอยากนี่ทําให้ใจเราทรมานไม่ใช่ตัวของความเจ็บของทางร่างกายพอเรารู้จักความจริงนนี้แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บมันจะเจ็บยังไงเราก็จะอยู่กับมันได้เพราะเราจะใช้ใจใช้ปัญญาสอนใจให้อยู่เฉยๆให้เป็นให้ใช้อุเบกขาสู้กับความเจ็บวิถ้าใจไม่อุเบกขาก็ใช้พุโทโธ ช่วยมันไว้ดันมันไว้เดี๋ยวมันก็เข้าไปในอุเบกขาพอมันเข้าไปในอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บปวดของทางร่างกายข้อ 2. การขึ้นสู่อุปจารสมาธิจากคณิกาสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานมากไหมคะสําหรับคนทั่วไปที่ไม่นับว่ามีของเก่าธรรมาก่อนคือเกินหนึ่งสองปีไหมคะถ้าปฏิบัติแบบสู้ตายตลอดเวลา คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมาธินี้มีอยู่สามชนิดด้วยกันคานิกะอัปปนาและอุปจาระคานิกะกับอัปปนานี้เป็นสมาธิอันเดียวกันคือจิตรวมเพียงแต่ว่าระยะเวลารวมนี้สั้นหรือยาวถ้าจิตรวมนี้เรียกรวมเดียวเดียวแป๊บเดียวแล้วถอนออกมาเรียกว่าคานิกะสมาธิ ถ้าจิตรวมแล้วนิ่งอยู่นานเรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนอุปจาระสมาธินี้เป็นสมาธิที่อยู่พอจิตรวมเป็นอัปปนาแล้วไม่อยู่ในอัปปนาไม่อยู่ในสมาธิถอยถอยออกมารับรู้เหตุการณ์ต่างๆนิมิตต่างๆรู้เรื่องของกายทิพย์รู้เรื่องของอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธินี้เป็นสมาธิที่เราไม่ควรที่จะไป เกี่ยวข้องไม่ควรที่ไปสนใจถ้าใจเราไปเข้าไปในอุปจารสมาธิเราควรจะดึงกลับให้เข้ามาสู่อัปปนาสมาธิเพราะว่าอุปจารสมาธินี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้การเจริญปัญญาเพราะว่าจะไม่ทำให้ใจมีอุเบกขาใจไม่เป็นกลางเวลาอยู่ในอุปจารสมาธิเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ เหมือนกับตอนที่เราอยู่ข้างนอกตอนนี้ตามที่จิตเราเป็นปกติจิตของเราจะไม่มีอุเบกขาเราต้องการสร้างอุเบกขาด้วยการทาใจให้รวมอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ให้นานๆแล้วอุเบกขามันจะมีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับเพื่อที่เราจะใช้อุเบกขานี้มาใช้ต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์เช่นความเจ็บของทางร่างกาย หรือเจอความตายหรือเจอปัญหาต่างๆถ้าเราไม่มีอุเบกขานี้ใจของเราจะทุกข์ใจเราจะสู้ตันหาความอยากไม่ได้แต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเรามีปัญญาสอนใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปทําให้สิ่งต่างๆที่มากระทบกับเรานี้หายไปได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเรามีอุเบกขาอันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการเข้าคืออัปปนาสมาธิ เข้าให้นานเวลาตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆนี้มันจะเข้าเดียวๆ เ, เราเรียกว่าคาิกะสมาธิพอเราพุโทโธพุโทโธไปจิตก็วุบลงไปนิ่งสงบแล้วเดี๋ยวก็เด้งออกมาเดียวๆ เ, เรียกว่าคานิกะสมาธิแล้วต่อไปพอเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเจริญสติให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเวลาจิตรวมก็จะรวมได้นานอยู่ได้นานก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิ ถ้าจิตถอยออกมาไปรับรู้นิมิตต่างๆไปมีอิทธิฤทธ์อะไรต่างๆก็อย่าไปปล่อยให้มันไปดึงมันกลับมาเข้ามาในอัปปนาใช้คำบริกรรมพุทธโทดึงกลับเข้ามาอย่าให้มันไปเพราะถ้าไปแล้วมันจะเพลิดเพินแล้วมันจะหลงถ้าได้ได้หูทิพตาทิพก็จะคิดว่าได้บรรลุธรรมซึ่งมันเป็นไม่ใช่เป็นธรรมที่จะทาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่จะเป็นธรรมที่จะทําทให้ดาวติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉนั้นเราอย่าไปสนใจถ้าเรามีมีวาสนาในในทางที่จะไปทางอุปจาระสมาธิอย่าเพิ่งไปอันนี้ถ้ามันเป็นวาสนาของเราเดี๋ยวมันก็เป็นได้เรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือการเข้าไปในสมาธิที่ทําให้เกิดอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้ใช้อุเบกขานี้มาช่วย สนับสนุนปัญญาต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจพอหลังจากที่มันหมดไปจากใจแล้วทีนี้เราจะใช้อุปจารสมาธิมาทำประโยชน์ก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงเริงยานดูจิตของคนว่าวันนี้จะไปโปรดคนไหนดีจิตของใครตอนนี้พร้อมที่จะรับธรรมที่คำสอนท่านก็ใช้อุปจาระสมาธิ หรือเวลาที่สั่งสอนเทวดานี้ก็ใช้อุปจารสมาธิาจิตก็สามารถติดต่อกับเทวดาต่างๆสั่งสอนเทวดาได้ด้วยอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการกำจัดปัญหาต่อการทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนัย้นถ้าเรายังไม่หลุดพ้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องของอุปจารสมาธิให้พยายาม ให้ใจอยู่ในอัปปนาสมาธิให้นานๆคำถามจากคุณสุขเล็กๆที่ปลายเขาจิตใจไม่ยินดีกับผลบุญที่ผู้อื่นทำแต่ห่างตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจะยินดีรู้ว่าตนเองคิดแบบนี้ไม่ถูกจึงพยายามบังคับใจแต่ก็บังคับไม่ได้ลึกๆมันไม่ยินดีตอนนี้ตัวเองเป็นทุกข์มาก ที่บังคับให้ใจมันอนุโมทนาบุญจากใจจริงไม่ได้อยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับคือถ้าเราไม่ยินดีแต่ถ้าเราไม่มีความคิดที่ไม่ดีต่อการการทำบุญเขาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นถ้าเราไม่อนุโมทนาแต่เราก็ไม่ไปขัดขวางการทําบุญของเขาอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคือเราเฉยๆ เ, เ, เป็นอุเบกขาไปใครทําอะไรก็พิจารณาว่า เป็นบุญของเขาไปเราไม่ต้องไปอนุโมทนาไม่ต้องไปยินดีก็ได้แต่ถ้าเราอนุโมทนาได้ยินดีได้ก็จะทำให้เขามีกำลังใจการที่เราอนุโมทนาบุญให้กับคนอื่นนี่เป็นการช่วยส่งเสริมให้เขามีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าเรายังไม่ไมสามารถทาได้ถ้าเราเฉยๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่อย่าไปขัดขวางเขาอย่าไปาไปทำให้เขาไม่สามารถทำบุญได้อันนี้จะเป็นการกระทำที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเฉยๆวางใจเป็นกลางอุเบกขาใครทำบุญใครทำบาปก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรคำถามจากคุณเอกิดการฆ่าเชื้อโรคจะผีสิงข้อนึงหรือเปล่าครับเท่าที่ทราบเราคิดว่าเชื้อโรคมันยังไม่ได้เป็นสิ่งที่มี วิญญาณก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีการรับรู้ยันการค่าฆ่าเชื่อโรค ก, ก็เลยไม่ถือว่าเป็นการปานาติบาิคําถามจากคุณตีปังตอผมเห็นสัญญาที่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเวลาทําอะไรทุกอย่างผมเห็นสภาพในจิต ท, ที่สร้างขึ้นมาว่าเรากําลังทํานั่นทํานี่ แต่มันเป็นการสืบต่อของจิตที่เร็วมากติดต่อกันเป็นสายเหมือนเป็นฐานที่ตั้งของสัญญาความเป็นเราเมื่อคิดทำสิ่งใดก็จะกลับมาที่ฐานตั้งของสัญฐานชุดนี้แต่พอกำหนดรู้จะเห็นภาพในจิตที่เป็นตัวเราซึ่งเมื่อเห็นภาพในจิตที่เป็นเราก็จะเหลือแต่ภาวะรู้รู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้ไม่มีอาการใดๆ จะเป็นไปได้บางครั้งบางคราวแบบนี้เรียกว่าภาวะอะไรครับก็ภาวะจิตสงบเวลาจิตสงบแล้วความคิดปรุงแต่งต่างๆสัญญาต่างๆก็จะสงบตั ว, ตวไปความรู้สึกว่ามีตัวเราของเรามันก็จะหายไปจิตก็จะว่างเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่โกลัวไม่หลงพยายามสร้างภาวะนี้ให้ไว้มากๆเพื่อที่เราจะได้ทําลาย explore, อาวิชชา หะ oh ควววาาาาามหลงงที่่ปปปคคิดเเเเเเ็็็นนนรรรตัรขอำถามจากคุณฮอลลี่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นทั้งสมถะและวิปัสนาสามารถปฏิบัติได้ร่วมกันเลยไหมคะต้องสลับผัดกันเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาเวลาก้าวเท้านี้เราต้องก้าวทีละก้าวเราไม่ก้าวสองก้าวพร้อมกันถ้าก้าวสองก้าวพร้อมกันก็เหมือนกับจิงโจ้ ต้องกระโดดไปเวลาเราเดินเราเดินซ้ายสลับขวาชั้นใดเวลาเราปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนาเราก็สลับกันทำเวลาเราพิจารณาจะเรวิปัสสนาจนรู้สึกเหนื่อยหรือจนฟุ้งแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็ไปทำสมถะทำใจให้สงบให้หายฟุง้งพอใจหายฟุง้งออกจากความสงบมาเราก็มาพิจารณาทำใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไป จนกว่าเราจะสามารถทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้คำถามจากคุณ น, นัทนานเมื่อเกิดกิเลสเราก็จะหาข้อแก้ตัวหรือหาทางออกให้กับกิเลสนั้นอยู่เสมอแม้แต่นิวรณ์ก็ยังบังคับไม่ได้เลยเราจะมีวิธีบังคับใจเราจากกิเลสทั้งหลายอย่างไรบ้างคะก็ต้องศึกษาวิธีการกำจัดกิเลสจากผู้ที่ได้กำจัดกิเลสมาแล้ว เช่นเวลาอยากจะซื้อเสื้อผ้าที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อท่านก็สอนให้ใช้เหตุผลว่าสิ่งที่เราอยากจะได้นี้ถ้าเราได้มาแล้วถ้าเราไม่ได้มันมาเราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่ตายก็ไม่ต้องไปซื้อมันให้ใช้เหตุผลอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดกิเลสได้แต่ถ้าเราไปใช้ข้ออ้างนู่นข้ออ้างนี้เดี๋ยวก็แพ้มันนั้นต้องใช้หลักเหตุผลของความเป็นจริง ของต่างๆที่เราจะซื้อนี้ขอให้มันจําเป็นจริงๆถึงซื้อถ้ามันไม่จําเป็นก็แสดงว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาอย่าไปซื้อเพราะว่าถ้าไปซื้อตามกิเลสตัณหาก็ไปซื้อภพชาติเท่านั้นเองไปต่อภพชาติให้มันยาวขึ้นไปต่อความทุกข์ให้มันมากขึ้นเราปฏิบัตินี่เราต้องการตัดภพชาติตัดความทุกข์เราก็ต้องตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆด้วยใช้ปัญญาด้วยใช้เหตุผลถ้าเรม ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาใช้เหตุผลได้ก็ใช้พุโทโธไปก่อนก็ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาไม่ต้องไปคิดอะไรหยุดมันพยายามพุโทโธไปจนกว่ามันจะลืมเรื่องที่เราอยากจะซื้อไปคำถามจากคุณหมูคุณประดิษฐ์หูนั่งสมาธิสักพักแล้วจิตดิ่งสงบแต่ยังมีการรับรู้เช่นหูได้ยินเสียงรู้สึกเฉยเฉยยังมีความคิดบ้าง หนูสงสัยว่าจิตกับการรับรู้และความคิดเป็นคนละสิ่งหรือเปล่าคะคือจิตนี่เป็นผู้รู้ผู้คิดมันอยู่ที่เดียวกันมันมีสองหน้าที่ทั้งรู้ทั้งคิดแต่สิ่งที่เราต้องการหยุดก็คือความคิดเพราะความคิดของเราส่วนใหญ่มันคิดไปนในทางกิเลสตัณหาที่ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆส่วนความรู้นี่เราดับมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ ความรู้นี่มันมีอยู่ตลอดเวลามันเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งความรู้ตอนนี้มันถูกความหลงครอบงำทำให้มันไปนหลงกับความคิดที่คิดไปในทางกิเลสตัณหาพอคิดไปทางกิเลสตัณหาก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาอยากมีขึ้นมาอยากเป็นขึ้นมาแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องการหยุดความคิดเพื่อทใจให้ว่างให้สักแต่วรู้ พอเวลาใจว่างจากความคิดสักแต่ว่ารู้ใจจะมีความเย็นจะมีความสงบจะมีความสบายจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆคําถามจากคุณจอปอหากพิจารณาไตรลักษณ์เวทนาภายนอกปล่อยภายในว่างเกิดความสงบแบบอัศจรรย์เหมือนไฟตะเกียงควรพิจารณาส่วนใดต่อคะถ้ามันว่างมันสงบก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรอ ก็อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนั้นจนกว่าจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วก็พิจารณาความทุกข์นั้นหน่อยคําถามจากคุณบีวิธีปฏิบัติให้จิตประพัฒสอนทําอย่างไรครับก็เหมือนจริญสติเพื่อจิตสงบถ้าจิตสงบเต็มที่จิตก็จะสว่างสวยัยแต่มันเป็นความสว่างสวัยที่ชั่วคราวพอจิตเสื่อมพอจิตไม่สงบความสว่างสวัยนั้นก็หายไป คำถามจากคุณไก่นะพัทหนูเริ่มหัดนั่งสมาธิแต่เกิดอาการชาทุกครั้งจนทนไม่ไหวต้องออกจากสมาธิเมื่อขยับจะดีขึ้นแต่อาการชาจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆขอคําแนะนําเพื่อสามารถนั่งได้นานๆโดยไม่มีอาการชามารบกวนด้วยค่ะคืออาการชานี่เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งความเจ็บความชาของร่างกายนี้มันเป็นอนัตตา เหมือนกับเสียงที่เราได้ยินนี่เราไปสั่งให้มันหายหรือสั่งให้มันมาไม่ได้ฉันได้ความเจ็บความชาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ไปรังเกียจมันถ้าเราไม่ไปกลัวมันถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายมันมาก็ปล่อยมันมามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่เราอย่าไปสนใจมันเราพยายามให้เกาะติดอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มารบกวนใจเราพอใจสงบแล้วใจก็จะ ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความชาของร่างกายคำถามจากคุณภาวนาคาว่าเมตตาในพรหมวิหารสี่นั้นเมตตากรุณาต้องแผ่ไปทั่วถึงทั้งคนพาลและบัณฑิตคนดีคนไม่ดีนั้นเราจะเมตตาอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพราะในมงคลสูตรกล่าวไว้ว่าการไม่คบคนพาลเป็นมงคลอย่างยิ่งดังนั้นทำอย่างไรจึงจะเป็นการแสดงออก ซึ่งเมตตากรุณาที่ถูกต้องแท้จริงคะคือความเมตตานี่หมายถึงว่าให้เรามีความคิดดีปรารถนาดีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วอคนเลวคนร้ายอันนี้เราอย่าไปเกลียดเขาให้เราให้เรารักเขาให้มีความเมตตาต่อเขาคือไม่ไปคิดร้ายกับเขาความหมายให้คิดดีกับเขา อันนี้หมายถึงความเมตตาคือไม่เลือกว่าจะเป็นใครีคนดีเราก็ให้ความเมตตาคนไม่ดีเราก็ให้ความเมตตาได้แต่การคบค้าสมาคมกับคนเราก็ต้องเลือกคนคบค้าสมาคมคื อ, อถ้าเราไปคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีเขาก็จะชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็อย่าไปกับเขาเออคําว่าคบค้าสมาคมก็คืออย่าไปร่วมสังค์ขกักับเขา อย่าไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาแต่รู้จักเขาได้เช่นทำงานร่วมกันในที่เดียวกันก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดกันถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเดินโซ拉เราก็ไม่ต้องไปเกลียดเขาเราก็เป็นมิตรกับเขาได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปทำกิจกรรมร่วมกับเขารือเวลาเขาชวนเราไปเราก็อย่าไปนี่คือความหมายแม่คบคนพาลก็ อ, อย่าไปร่วมกิจกรรมกับเขา ความเมตตาก็คือเราก็มีความเมตตาให้กับเขาเหมือนกับเราให้กับคนอื่นเท่าๆกันถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเราพอจะช่วยเหลือเขาได้ตามหลักมนุษยธรรมก็ช่วยไปเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียาไม่มีเงินรักษามีคนมาเรียกรายให้ช่วยกันเราก็ช่วยกันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความเมตตาเรือความการุณากับคนที่ไม่ดีกับคนที่คนเป็นคนผ่าน ตามหลักมนุษยธรรมเราก็ต้องช่วยกันถ้ามันเรื่องของการขาดแคลนในปัจจัยสี่แม้แต่ตำรวจเวลาไปจับผู้ร้ายแล้วยิงผู้ร้ายบาดเจ็บยังต้องเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่านี่มันเป็นหลักมนุษยธรรมถึงแม้จะเป็นผู้ร้ายแต่เมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปรักษาตัวเขาให้หายแล้วค่อยจับเขาไปขึ้นศาลไปลงโทษต่ตอไป อันนี้คือต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลไม่ได้ไหมายความว่าให้เราไม่มีความเมตตากับเขามีความเมตตากับเขาได้แต่ก็มีเมตตามีขอบมีเขตไม่ใช่คนคนทำผิดแล้วก็เมตตาให้อภัยไม่ต้องลงโทษเขาปล่อยเขาไปถ้าอย่างนี้มันก็จะทําให้เขาไม่กําหลาบไม่มีความจํานึกผิดนะ อันนี้ก็จะไม่ดีเพราะจะไปทําให้เขาไปทําบาปไปทําร้ายผู้อื่นต่อไปเรื่องของการทําโทษก็ทําไปตามเหตุตามผลแม้แต่พระภิกษุที่มาบวชนี่พระพุทธเจ้าถึงมีความเมตตากับพระภิกษุทุกลูก่ก็ยังต้องลงโทษพระภิกษุที่กระทาประราชิกนี่ถ้าทำประราชิกพระพุทธเจ้าก็บอกให้ลาสิกขาไปเป็นการลงโทษอันนี้มั็นเรื่องของเหตุของผลมันไม่ใช่เรื่องของความเมตตา เราต้องแยกแยะว่ามันมันมีหลายมิติในเรื่องในคนเดียวกันในเรื่องเดียวกันเมตตาก็เมตตาไปแต่เรื่องของเหตุเรื่องผลก็ต้องว่าไปตามเหตุตามผลเอาเลยเอาให้หมดเลยจะได้จบจบวันวันนี้คำถามจากคุณพีระพงผมมีปัญญาน้อยอ่านหนังสือต่อปัญหาคาใจถึงเล่มหกแต่ยังมีข้อสงสัยอยากถามคือ ข้อหการภาวนาผู้ที่ปฏิบัติใหม่ต้องเริ่มจากการเจริญสติฝึกไปจนกว่าจิตจะตั้งมั่นรวมเป็นสมาธิหลังจากเจริญสมาธิแล้วจะต้องเจริญปัญญาต่อเพื่อตัดกิเลสผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกแต่ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเวลาจะเจริญปัญญาเวลาจิตสงบอยู่ในสมาธิยังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาเป็นเวลาที่ ให้เราประครับประคองความสงบด้วยสติให้อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้เพราะเราจะได้กำลังของอุเบกขาเวลาที่เราออกมาเราจะได้ใช้อุเบกขากับปัญญาในการต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆข้อสองไม่ว่าจะเป็นคณิกาสมาธิอุปจาราสมาธิอัปนาสมาธิก็นํามาใช้เจริญปัญญาได้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ได้หรอกอย่างที่เมื่อกี้อธิบายแล้ว สิ่งที่จะเอามาใช้ปัญญาได้ก็คืออัปปนาสมาธิครั้นี่กะมันก็ชื่อแวบเดียวกําลังยังไม่พออุปจารสมาธิก็จะเป็นการปรุงแต่งเป็นการทํางานของจิตในใ น, ในสมาธิก็จะไม่มีกําลังของอุบเบกขาเพราะฉะนั้นต้องเอาแต่อัปปนาสมาธิแล้วพยายามเอาให้มากๆทําให้บ่อยๆแล้วทําให้ชํานาญสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการ เพราะว่าเวลาออกมาพิจารณาทางปัญญาต้องใช้ความคิดแล้วถ้าเผลอคิดไปในทางกิเลสก็อาจจะทําให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แล้วอาจจะไม่สามารถหยุดความฟุ้งซ่านได้ถ้าเราไม่ชํานาญในการทําสมาธิถ้าเราชํานาญพอเรารู้ว่าจิตเราเริ่มฟุ้งเราก็หยุดพิจารณาแล้วก็นึ่งจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตก็จะสงบอันนี้จําเป็นจะต้องฝึกอัปปนาสมาธิให้มากๆให้ชํานาญ ถ้าพิมพ์ดีก็ต้องพิมพ์แบบดับตาพิมพ์ได้เลยไม่ใช่ยังลืมตาจิ้มเธอนิ้ว2นิ้วอยู่อย่างนี้ยังไม่ทางการต้องหัดพิมพ์จนกระทั่งมันมันชำนาญสมาธิก็เหมือนกันต้องหัดเข้าให้มันได้ชำนาญต้องการเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เลยอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าพอหลับตาปั๊บจิตก็เข้าสู่ความสงบได้เลยต้องให้มันได้อย่างนั้นล้ำมันจะได้เป็นที่หลบเป็นที่ระ ง, งับความฟุง้งซ่านเวลาที่เราพิจารณาทางปัญญา เรามันออกนอกรูกนอกทางไปเราจะได้ดึงมันกลับเข้ามาได้ข้อสการเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญาใช่ไหมครับใช่อันเดียวกันคำว่าวิปัสสนาก็คือให้เห็นความเป็นจริงที่เป็นความเป็นจีของธรรมทั้งปวงก็คือเห็นอันนี้จังทุกขังอนาตตาเห็นอนสุภะอันนี้เรียกว่าเห็นด้วยวิปัสสนาก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นตัวเดียวกัน หมดแล้วปัญหามีใครอยากจะถามอีกไหมครับก็ามมีทางบ้านหนึ่งครัอมาอันนี้เป็นเป็นคำถามต่อเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสนะครับเป็นเป็นของผู้ปฏิบัตินะครับพอจิตสงบจนไม่รู้สึกว่ามีร่างกายแล้วให้อยู่กับความสงบนี้ต่อไปหรือควรจะค่อยๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมดีครับเคยรู้สึกตัวขึ้นมาก็ทำสมาธิต่อไปก็จะไปสู่จิตที่สงบไม่มีร่างกายอีก วนไปวนมาไม<อ>่ถูกรือผิดพยายามอยู่ในความสงบให้นานที่สุดไปก่อนเพราะเราต้องการความสงบนี้เป็นกําลังในการใช้ทางเจริญปัญญาเวลาเราออกจากสมาธิแล้วเราก็อาจพิจารณาตายรับอาจพิจารณาอนิจจงว่าอะไรเป็นอนิจจงความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรก็คือการเกิดแล้วก็การดับเช่นอะไรร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องดับ ของทุกอย่างที่เรามีอยู่มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับรถยนต์เราซื้อมาแล้วเดี๋ยวสักวันมันก็ต้องพังไปเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่สักวันมันก็ต้องขาดไปพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังโดยเฉพาะสิ่งที่เรารักเราชอบเราหวงว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องหมดมันจะต้องจากเราไปมันไม่ได้เป็นสม บ, บัติของเราที่แท้จริงเรียกว่าการพิจารณาทางปัญญาทำหลังจากที่ออกจากสมาธิ ฐานะอยู่ในสมาธินี้ให้มันนิ่งอย่างเดียวให้มันสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวไปนานๆเท่าที่จะอยู่ได้คําถามข้อต่อไปจากผู้ชมถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับจากคุณจิตนะครับจิตก็คือเราจิตเป็นของเราใช่หรือไม่คือเราออกมาจากจิตเนี่ยแต่จิตไม่ใช่คือเราหรอกเพราะว่าจิตมันออกมาคำคำว่าเรานี่มันออกมาจากสัญญาสังขารสังขารปรุงแต่งว่า เป็นเราแล้วก็จำความปูกงแต่งนั้นก็เลยคิดว่าจิตนี้เป็นเราแต่ความจริงจิตนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเท่า น, นั้นเองคอาจารย์ครับ เ, เมื่อเช้าได้ฟังวิทยุธรรมะนะครับแล้ว เ, เขาบอกไว้ว่า ข, ข้อสำคัญของการปฏิบัตนะิมีข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับการระลึกชาตออิอยากทราบว่าการละลึกชาติมีประโยชน์อย่างไรต่อการปฏิบททัติธรรมครับอาจารย์ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะนอ ก, นอกจาก จะทำให้เราเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าชาติก่อนเราทำอย่างนั้นเราถึงชาตินี้เราถึงเป็นอย่างนี้ที่เรามาเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเราตายจากชาติก่อนว่าเป็นอย่างนี้ให้เราเห็นว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ได้มาทำอะไรให้เราหลุดพ้นได้แต่เพียงจะทําให้เรามีความกระตือรือร้นว่า ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่หลุดพ้นเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยหมดแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็วันหลังผู้ที่ฟังถ่ายทอดสดถ้าอยากจะถามก็ส่งข้อความมาได้แล้วเดี๋ยวพิธีกรก็จะอ่านคำถามต่อในช่วงถามตอบปัญหาอย่างวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา